วิธีขอสงสแดงพื้นที่สร้างวิหาร369ภิกษุทั้งหลายที่รับแต่งตั้งเหล่านั้นต้องไปที่นั้นแล้วพึงตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้รู้ว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเป็นพื้นที่มีอันตรายทั้งไม่มีบริเวณโดยรอบพึงบอกภิกษุรูปนั้นว่า อย่าสร้างในที่นี้ถ้าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายทั้งมีบริเวณโดยรอบพึงบอกสงฆ์ว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายทั้งมีบริเวณโดยรอบภิสษุผู้สร้างวิหารนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉียงบาตรกราบเท้าภิสษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวาย สร้างเป็นของส่วนตัวกระผมขอให้สงแสดงพื้นที่สร้างวิหารเพิ่งกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่2เพิ่งกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่3ม